นันการมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเมื่อกระจายออกมาแล้วก็มีแต่ธรรมะดังที่กล่าวไปเนี่ยนะรูปธาตุเชื่ยวจำแนกไปการมาธาตุเนี่ยนะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ย ใ, ในกลุ่มการมาธาตุเกิดได้หมดเลยแต่รูปธาตุถูกลดออกไปลดอะไรออกไปลดจมูกลิ้นและกายออกไปลดภาวะรูปออกไปเป็นต้นเนี่ยนะอรูปธาตุลดรูปขันออกไปทั้งหมดเหลือแต่วิญญาณขัน์ที่จํากัดในบางกลุ่ม เมื่อมีการจำแนกโดยกามาธาตุกามาธาตุอันใดอันนั้นแหละชื่อว่ากามาพบรูปธาตุอันใดอันนั้นชื่อว่ารูปประพบอรูปธาตุอันใดก็ชื่อว่าอรูปประพบเมื่อพื้นฐานสิ่งเหล่านี้คือขันธาตุอเยตนะกามาธาตกามาพบเป็นต้นจะเที่ยงมาจากไหนนั้นกามาธาตุกับการมาพบนี่คือกลุ่มเดียวกันส่วนสัญญาพบอสัญญาพบเนวะสัญญานาสัญญาพบนั้นก็เอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาจิตเป็นตัวตั้ง สัญญาิกจิตเนี่ยบางทีอธิบายในยะกลุ่มเดียวกันเอกากรมกามพบเนี่ยเรียกว่าพูดโดยพบสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพบมันนี้เรียกว่าพูดโดยจิตส่วนเอกโวจารุพบจตุโวการพบปัญจโวการพบพวกนี้กล่าวโดยขันะนั่นแหละกล่าวโดยอโดยธาตุกล่าว โ, โ, โดยจิตแล้วก็กล่าวโดยขัน ก็สิ่งเหล่านี้ก็ควรเอามาพิจรารณาไค่ครวนนะ อ, อถ้ากล่าว ก, กามมาพบรูปประพบอรูณประพบเนี่ยนะเท่ากับคติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้าชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะว่าเป็นธรรมที่ควรทําปริญญาทําปริญญาว่ายัางไงทําปริญญาว่าสิ่งเหล่านี้ชาติธรรมโตเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาชราติ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 หรือผู้ที่อบรมส ม, มะถะ ม, มาเนี่ยก็จะได้ฌานใช่ไหมฝันฌ า, านสี่ฌานสี่ก็ควรนามาทําปริญญาว่าฌานสี่ทั้งหลายก็เป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันเมื่อฌานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งฌานสี่ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าทําฌานอะไรก็ยังไม่ได้เลยเราบอกฌานก็ไม่เที่ยงมันไม่ต้องเจริญมันล็อกใช่ไหมหมายความว่าเขาเจริญฌานเสร็จแล้วแล้วพิจรารณาฌานโดยความเป็น เป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วค่อยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาทําให้มีขึ้นก่อนแล้วค่อยพิจารณานนะส่วนต่อไปเมตตาเจโตวิมุตข์คานี้เป็นชื่อของอะไรปฐมฌานจนถึงตาตยฌานโดยจะตกกันไหนกรุณาเจโตวิมุตขก็เป็นชื่อของปฐมฌานถึง ต, ตัตยฌานมุทิตาเจโตวิมุตก็เป็นชื่อของปฐมฌานถึง ตัติยฌานส่วนอุเบขาเจโตวิมุติเป็นจตุทฌานอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฌานสี่เหล่านี้ที่เป็นไปกับอ ป, ปมัญญาสี่ก็ควรพิจารณาเนี่ยควรเอามาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแม้แต่อรูปสมาบัติทั้งหลายอาการสารนัญจา ย, ยตนะสมาบัติวิญญาณัญจา ย, ยตนะสมาบัตอากินจัญญายตนะสมาบัตและเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ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 ออ่านมาตั้งนานเพิ no ่งผิดหน่อยเดียวอย่าไปคิดอะไรมากก็พวกนี้เป็นการเอาเหตุผลเหตุผลเหตุผลมาเชื่อมโยงทั้นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นวิปัสนาภูมิเหมือนกันนะใช่ไหเป็นภูมิที่ควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเหมือนกันธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าคุณอะไรนะคุณสัมมาสี่สิบนี่จะดีนะ นะถ้าใครจำทรงจำได้ใช่ไหมอา น, นิจโตทุกขโตโรขโตอะไรอนัตตะโตสาระโตเป็นต้นเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังโหติท่าออกมาพิจารณาตามนี้บ่อยๆก็ไม่เหงาไม่ต้องกลัวตกงานโรคเนี่ยนะมีอะไรที่จะต้องทําปริญญาอีกเยอะแยะไปหมดเลยปัญหาว่าทําไมไม่ค่อยว่างเลยเนี่ยนจะได้มีเวลาไปพิจารณาเยอะ ๆ, ๆเนี่ยผมอยากจะเรียนถามหมดหมดที่เกี่าอีกสักครั้งหนึ่ง ที่เรื่องเรื่องของอินทรีย์ยี่บสองนอินทรีย์ยี่บสองนี่นะในอนัญญาตันจะสามีนินทรีย์เื่อนลงไปถึงอัญญาปาวินศรีเนี่ยเป็นเป็นปัญญานะครับเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันถูกไหมครับเป็นยังเป็นสังขารธรรมอยู่ถูกไหมครับเมื่มอเป็นสังขารธรรมอยู่เนี่ยก็พิจารณาในลักษณะไปรลักก็ได้เขาไม่ให้พิจารณา ไม่ท่านไม่ส่งเสริมโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณมากเป็นสิ่งที่ที่เป็นธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นธรรมที่อนัญญ า, าตัญญสามีตินีเนี่ยนะเป็นภาเวตประธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ต้องเจริญอย่างเดียวส่วนอันยินซีนี้เป็นภาเวตประธรรมสามเป็นสัจชิกาตประธรรมสาม คือคือสกทาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมัคสามตัวนี้ต้องเจริญอย่างเดียวเนี่ ย, ยโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอันยินอัญญาตาวินสีคืออรหัตผลเป็นสัจจิกาตปธรรมเป็นธรรมที่ต้องทําให้แจ้งตรงนี้ชื่อว่าปริญญาด้วยอํานาจปฏิลาภคือทําให้ได้เฉพาะ ไม่ส่งเสริมไปที่ให้ท่านบอกว่าไม่ส่งเสริมให้พิจารณาโลกุตระธรรมโดยอนิจจันนะชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจงแต่ไม่ใช่อนิจจงที่เป็นธรรมที่เป็นยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาแล้วก็ไม่ต้องไปละอะไรเข้าด้วยเป็นธรรม ท, ที่ที่ต้องทาปริญญาด้วยการทาให้มีขึ้นแล้วก็ควรทาปริญญาให้ได้เข้าถึง อันนะควรทําปริญญาด้วยการเข้าถึงอันนะท่านจึงเน้นว่าปริญญาด้วยการได้เฉพาะคือปริญญาด้วยปฏิลาภคือทําให้ได้ทําให้มีทําให้เกิดขึ้นอันนะจึงไม่ไม่ใช่ว่านี่นะอรหัตตมรรคอรหัตตผลของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เที่ยงเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้นนนเขาจะไม่มีการพูดกันมีแต่ว่าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมบูรณ์ด้วยมรรคผลผู้มีอรหัตตมรรคผู้มีอรหัตตผล ขอนอบน้อมในความเป็นผ้าอรหันต์ของพระองค์เขาไว้กราบเอาไว้ไหวเอาไว้บูชาเทิดทูลอย่างเดียวอนะัโล ก, กุตระธรรมทั้งหมดไม่ใช่เป็นเป็นธรรมที่ควรมาพิจารณาโดยตีรณะปริญญาเขาไม่เรียกการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปริญญาแต่ใช้คําว่าเป็นอารมณ์ของปัจเจเวกขณะยา น, ยา น, นท่านพิจารณาเหมือนกันแต่ไม่เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็น ยาตะปริญญาตีระปริญญาท่านใช้คําว่าปัจเจกขณะยานพิจารณามัคพิจารณาผลนะคือพิจารณามัคว่าที่เราบรรลุครั้งนี้ด้วยอริยมรรคเหล่านี้เราได้เข้าถึงสามมัญพจนเหล่านี้แล้วนะคือด้วยอํานาจของปัจเจกขณะยานพิเห็นคุณของโลกุตระพิจารณาเห็นคุณรู้คุณว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนําออกจากกองทุกขเป็นคุณธรรมที่นําออกจาก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 โลกุตระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่เป็นอาณาไม่เป็นอาสวะธรรมหมายคือว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะจะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเลยท่านอุปมาว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะร้อนมากเหมือนเหล็กที่ร้อนระอุอยู่ทั้งวันแมลงวันคือตันหาไปเกาะได้ไหมไม่ได้ฉันใดเพราะฉนโลกุตรธรรมเหล่านี้จึงไม่เป็นอารมณ์ของ ตัณหาอุปาทานโดยประการทั้งปวงแต่ก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าธรรมะทั้งทุกหมวดเหล่านี้นี่นะครับทั้งอภินโยยะและปรินโยยะนี่เอท่านบอกว่าเป็นสุดตรรมยญาณก็เมื่อสุดธรรมยญาณนี่นะฮะเราก็คงจะไม่มีพันิพานเป็นอารมณ์จริงๆมาพิจารณาอยู่แล้วถูกไหมครับหรือว่าจะเอามรรคกิจผลกิจมาพิจารณาโดยที่เป็นอารมณ์ ประจักษ์จริงๆในมรคจิจผลกิตนั้นก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ในขั้นที่บอกว่าเป็นสูตรตามายาญาณนี่ก็หมายความว่าพระโยคาวจรก็ยังยังสามารถที่จะทำปริญญาลักษณะถ้้าาอย่งีเขาก็ไม่เรียกทำปริญญานะเขาเรียกว่าสาวกผู้มีสุตตะเนี่ยนะอาย ส, สาวกผู้ผู้ได้สดับหรือผู้ที่เป็นพุทธคือสุตตะพุทธผู้ที่รู้สิ่งเหล่านี้ด้วยการได้ยินได้ฟังเนี่ยนะ องค์ก็อนุโมทนาว่าเป็นพวกพหุสัจจะแต่พหุสัจจนั้นะจะดีหรือไม่อยู่ที่ว่าเอาไปทํากิจตามนั้นจริงหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งละเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นอีกคุณธรรมอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นหลังจากนี้ไปแล้วคือสี่ลัมมยะยานสมาธิภาวนาภาวนามายะ า, านธรรมทิฏฐิยานสัมมาสนายานอุทยพยัญญ า, ยาเป็นต้นไปแต่ในเบื้องต้นมาทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไร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 พอเจริญยิ่งพิจารามากๆก็ยิ่งสับสนพราะยิ่งสับสนเข้าก็เกิดมรรคข้อหมายว่าอย่าไปคิดมากมันฟุ้งซ่านเระวังนั้นนะเป็นข้อปฏิบัติสายใหม่ที่เพิ่งสอนกันไม่นานเนี่ยวัยยัาเอาไปคิดมันปริยัตทั้งนั้นนะนะคิดมากแล้วฟุ้งซ่านที่นี่ไม่สอนปริยัตระวังนั้นเอาปฏิบัติอย่างเดียวก็ว่าไปฟันเมื่อเรียนไม่เข้าใจให้เพียงพอก็เลยปฏิเสธสาระเลยปฏิเสธสุตรปตปฏิเสธอะไรทั้งหมดเลย นั้นผู้ที่สอนก็ไม่ตั้งตนเป็นศาสดาก็ทําตัวเยี่ยงศาสดาคือไม่ไม่ได้เป็นอ่านะก็ก็เสียหายอย่างนั้นเถอะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละโทษที่ไม่มีสุตตะเพราะนั้นถามว่าในโลกนี้อะไรคือความเลวร้ายที่สุดเนี่ยเลยอะไรคือต้นเหตุแห่งวตตะอะไรคือการสร้างวัตตะเนี่ยเลยหรือวตตะอ่าการเกิดขึ้นของวัตตะเนี่ยเกิดได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะเพราะผู้ที่อาการไม่ได้สดับเนี่ยท่านถือว่าเลวร้ายที่สุดเพราะอาวิชชาทั้งหลายมิจฉาทิฐิทั้งหลายเป็นต้นเกิดจากการไม่ได้สดับส่วนผู้ที่ได้วิวัตตะเป็นต้นท่านก็บอกว่าอริยสาวก ผู้ได้สดับแล้วเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเป็นต้นเพราะนั้นผู้อื่นที่เว้นพระพุทธเจ้าวเว้นพระปเจกับพระพุทธเจ้าต้องอาศัยการสดับคืออาศัยต้องต้องอาศัยสุตตะมายญาณทีนี้สุตตมายญาณที่ฟังแล้วฟังสมบูรณ์ฟังจนแยกแยะว่านี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทําให้แจ้งนี้ควร จเจริญมันหัวข้อถามนั้นท่านจึงพยายามให้มองเจดีย์เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมไม่ใช่มองเจดีย์เหลี่ยมเดียวเนี่ยนะให้เห็นเป็นสี่เหลี่ยมให้เห็นเป็นสี่มุมถ้าได้อีกมุมหนึ่งมันต้องสมดุลกับอีกหลายมุมมันผู้ใดกําหนดรู้ทุก ผ, ะะทท ผ, ททผู้นั้นชื่อว่าละสมุไัยผู้ใดละสมุไทยผู้นั้นชื่อว่าทำพระนิพพานให้แจ้งผู้ใดทําระนิพพานให้แจ้งแสดงว่าเขาจเจริญมัดเพราะฉะนั้นอริยสัจนั้นจึงแทงตลอดด้วยปฏิเวทยานเนี่ยนะ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 ธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าปัจจตังเลยนะก็ผู้ที่เข้าถึงเป็นธรรมะที่เวทิตาโพวินโยหิเป็นธรร ม, ท, รรมที่อุคติตันยูวิปัญจิตันญูและนัยยะบุคคลรู้ได้เฉพาะตัวคือคือผู้ที่มีบุญสั่งสมไว้แล้วส่วนผู้ที่ยังไม่มีบุญขนาดนั้นอย่างน้อยที่สุดการได้ยินได้ฟังคําสอนเหล่านี้ก็เป็นสวร น, นุตริยะเป็นการได้ยินได้ฟังสิ่งอื่นที่ ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าเ อ, อ่อขออภัยเป็นการฟังในสิ่งที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าในการฟังทั้งหลายถามว่าทําไมการฟังคำเหล่านั้นจึงเป็นสวนานุตริยะเป็นการฟังที่เลิศประเสริฐเหลือเกินยกย่องกันมากเพราะอะไรเพราะว่าการฟังเหล่านี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายถ้าฟังเหล่านี้แล้วจะได้บริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะเป็นต้นเป็นไปเพื่อดับทุกข์และ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 โสตวัฏฐานีปัญญาใช่ไหมส่งจําให้ให้ดีๆแล้วที่เหลือก็เอาไปอบรมไปเจริญเพราะภาระธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยมีอย่างเดียวคือภาเวตปธรรมนะแต่ตรงนี้ที่เราเรียนเนี่ยก็คือเรียนเพื่อให้อ่าฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยให้กว้างขวางให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่ออะไรเพราะป้องกันความเข้าใจผิดคำภีปฏิสัมพิทานั้นอ่าถ้ากล่าวโดยสมบูรณ์จะต้องกล่าวว่า เป็นคำภีร์ที่อนุเคราะห์คนโง่จริงๆเนี่ยนะเขาบอกโอ้ยคำภีพวกนี้เอาให้คนฉลาดเรียนระหวา่างกันเปนจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรที่มันแจกละเอียดยิบเลยเนี่ยนะมันเหมาะกับคนโง่อย่างเดียวไม่ได้เหมาะกับคนฉลาดคนฉลาดโน้นต้องไปฟังธรรมจักโ น, น้นนะจะได้บรรลุเร็วๆบฟังแล้วปุ๊บแจกเป็นปฏิสมัมพิทาอย่างนี้ได้เลยนะเพราะท่านฉลาดอยู่แล้วนะพวกที่ไม่ค่อยฉลาดได้ต้องมาเรียนละเอียดยิบไปหมดเลย นี่ปัญหาว่าคนฉลาดบวกเอ้คนไม่ฉลาดบวกไอ้ขี้เกียจเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยโรคบุญน้อยก็กำเริบแล้วค่ะนี้เราบุญน้อยสังสมบุญไหวไหมามากอะไรก็เลยพอและวว่างั้นเถอะทีนี้อการทำคำว่าปริญญาในปริญญาธรรมเนี่ยนะปริญญานิเทศนี้กว้างขวางเกินกว่าเอที่กล่าวแบบทั่วๆไปเช่นคำว่าทุกไม่ควรทำปริญญาทุกขสมุทยก็ควรทำปริญญา ทุกขานิโรธก็ควรทําปริญญาทุกขานิโรธคาคม่นีปฏิปทาก็ควรทําปริญญาแต่ตรงนี้ที่เป็นธรรม ท, ที่อะไรนะลึกซึ้งเกินกว่าที่จะมาคิดแบบทั่วๆไปที่เพราะนิยามของคําว่าปริญญาสามใช้กับทุกขศัพท์แต่คําว่าปริญญาปริญญายนิเทศในที่นี้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ธรรมที่ควรรอดรู้ในที่นี้กว้างขวางมากเพราะทุกขศัพท์ก็เป็นธรรมที่ควร กำหนดรู้โดยโดยอะไรโดยอารมณ์นะควรกำหนดรู้โดยอารมณ์สมุทัยศัตร์ก็ควรทำปริญญาโดยโดยการละนะทุกขนิโรธก็ควรทำปริญญาโดยการ้วยการทำให้ให้ให้เป็นอารามณะปัจจัยที่เราเรียกว่าทำให้แจ้งทุกขนิโรธก็ควรทำปริญญาแต่ปริญญาแบบเจริญนะปริญญาแบบทำให้มีขึ้น ก็ดังที่ในธรรมะทั้งสองร้อยหนึ่งข้อตั้งแต่หมวดหมวดสองไล่มาเรื่อยๆจนถึงหมวดที่สิบห้าธรรมะเหล่านี้ที่เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ที่กล่าวไปกําหนดรู้เพื่ออะไรทำปริญญาเพื่ออะไรก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจใช่ไหมเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกข า, านิโรดนี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาก็สรุปว่าเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจว่างั้นเถอะ ที่นี้ในทุกขาริยสัตว์เนี่ยนะทุกขาริยสัตว์เนี่ยเป็นธรรมที่กว้างขวางมากได้โลกียธรรมทั้งหมดสองร้อยหนึ่งเอาออกสามเหลือเท่าไรร้อยร้อยเก้าสิบแปดนีนะนะเพราะว่าคงไม่ต้องเอามาว่าอันอะไรนะอนัญญาตัญญาสามีตินียอนัญญาตัญญาสามีตินรีสมุทยอย่างงี้ยนะอันนี้ก็โดยโดยนย่าพูดได้ แต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าโดยโดยการแสดงโดยโดยเทศนาโวหารเนี่ยได้แต่ว่าโดยการแทงตลอดอย่างนั้นจริงๆ ไ, ไม่มีเนี่ยนะไม่มีในลักษณะนี้นะใครที่เรียนวยากรณสายวยากรณบาลีใหญ่มาเนี่ยจะไม่แปลกใจบางอย่างเนี่ยโดยได้โดยหลักของวยากรณแต่แต่เขาก็บอกว่าหลักการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่า ชีนวจนะยุตังหิต้องสมควรแก่ชีนาวจนะหมายว่าสมควรแก่พุทธพจน์โดยส่วนเดียวต้องสอดคล้องกับพุทธพจน์ต้องไม่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ที่อื่นๆด้วยจะด้วยเหตุผลที่ว่าเอาเหตุผลนี้เข้ามามาพิจารณาได้ไหมครับคือพูดถึงว่ามรรคจิตผลจิตทั้งหลายนี่นะครับทั้งแปดเนี่ยเป็นสัจจวิมุติอยู่แล้ว อ, อนะมรรคจิตมรรคจิตไม่ใช่สัจจะวิมุติ อริยมรรคมีองค์แปดที่ในมัคคจิตเป็นมัคสัจจะเจตสิกจิตและเจตสิกในมัคมัคคิจิตนะจิตเจตสิกที่เหลือนอกจากมรรคมีองค์แปดในมัคคจิตอจิตเจตสิกในผลจิตเป็นสัจจะวิมุติเดนพอเป็นสัจจะวิมุติใช่อริยมรรคมีองค์แปดที่ในมัคคจิตเป็นมัคสัจจิตเจตสิกที่ในมัคมัคคจิตที่เหลือ และพลจิต ท, ทั้งหมดนี้เป็นสัจจวิมุตติด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมครับจึงไม่สามารถเราจรึงไม่ควรมาทําเป็นเตณปิญยาพิจารณาแบบตรีณปิญยาเพราะว่าไม่ใช่ทุกขสัอด้วยอันนั้นก็ก็ไม่ผิดนะนะแต่ขณะเดียวกันจริงๆเนะี่ยคนที่มีมัคจิจพลรจิตเป็นอารมณ์จริงๆอ่ะบุคคล น, นั้นเป็นพระอริยะธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นธรรมที่ควรบูชา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 หลักการสําคัญก็คือจิตก็ปราศจากราคะขณะนั้นราคะไม่กลุ่มรุมการที่เอาคําสอนเหล่านี้มาไข่ครวญมาพิจารณาราคะไม่กลุ่มรุมโทสะไม่กลุ่มรุมโมหะก็ไม่กลุ่มรุมแต่ระวังข้อพึงระวังระวังว่าอย่างไงระวังว่าอภิธรรมนั้นถ้าเรียนไม่ดีอุทธจักตําเรลนะก็จะได้ความฟุ้งซ่า น, นนะก็อยู่ในโลกของจินตนาการเนี่ยนะก็มีแต่ควันขมงเต็มไปหมดเลย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 กระจายออกมาเป็นหนึ่งร้ยเก้าสิบแปดใช่หมคำว่าทุกตัวนั้นเน่ยนะกระจายมาเป็นอะไรบ้างขันห้าติยรูปสาตรูปหกสิบอะไรอีกอนะก็ทั้งตั้งแต่หมวดสองจนถึงหมวดสิบห้าที่กล่าวไปนั่นแหละก็มาไข้ควรวนพิจารณาเอาวะนะรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธข า, ามินีปฏิปทาเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธข า, ามินีปฏิปทา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 เท่ากับการยกกายานุปัสนาทั้งหมดมามาแสดงแล้วเนี่ยนะโดยสัท์โดยวัวหานี่เท่ากับกายานุปัสนาสติปัฏฐานทั้งหมดเลยส่วนเวทนาเวทนาสมุทัยหรือเวทนาเหตุเกิดของเวทนาความดับเวทนาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็เท่ากับเป็นการแจงเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานทั้งหมดส่วนสัญญาเหตุเกิดของสัญญาความดับสัญญาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัญญา สังขารเหตุให้เกิดสังขารความดับสังขารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารโดยเฉพาะตัวสังขารเนี่ยมาแจกเป็นกลุ่มนิวร์กับพ่อชงเป็นต้นเนี่ยนะนิวร์ก็เป็นถ้าพูดนิวร์นะก็เท่ากับกล่าวสังโยดด้วยเนี่ยนะเพราะอายตนะบพาก็คือในกลุ่มสังโยชดเพราะนิวร์กับสังโยชนนี่เป็นสังขารที่ที่ต้องละนะแต่ก็สังขารเหล่านั้นก็มีเหตุเกิดใช่ไหมมีเหตุเกิด แล้วก็มีความดับมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับันนี้ก็อยู่ในกลุ่มธรร ม, มานุปัสสนาส่วนวิญญาณหรือเรียกว่าวิญญาณเหตุให้เกิดวิญญาณความดับวิญญาณข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณอันนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นในกลุ่มจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมะเหล่านี้ถ้ามีพื้นฐานการศึกษาปฏิสัมพิทา แล้วก็เข้าใจทิศทางเข้าใจโครงสร้างของคมภีปฏิสามพิธานเนี่ยนะไปอ่านกลมสังยุตตนิกายเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเยนะนะเพราะว่าในเกือบทุกหัวข้อที่มีอยู่ในนี้นะมีผู้ไปพิจารณาและบรรลุอยู่ที่เรียกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนเย็นๆหรือเขามีสองช่วงที่พระพิสุไปขอกรรมาฐานหลังจากที่ไปบินทบาท นะหลังจากพระพุทธเจ้าไปบินทบาทไปฉันกลับมาพระภิกษุทั้งหลายท่านก็ไปบินทบาทฉันกลับมาภิกษุเหล่านั้นจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเข้าพระคันธกุตีภิกษุเหล่านั้นก็จะขอกรรมฐานเพื่อจะไปหลีกเล่นในปานะพระพุทธเจ้าก็จะแนะนําพระธรรมเหล่าเนี้ยนี่คือกรรมฐานที่เบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรตเนี่ยนะก็คือเนี่ยรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปแลย ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปถ้ารู้จริงในบทเหล่านี้ก็นั่นแหละอรหัตตะมักนะที่ทํากิดเหล่านี้จริงๆเนี่ยนะก็มีหัวข้อที่กระจายไปพิสดารอีกก็ก็ไปดูตามสูตรอื่นๆต่อไปแต่พระพิสูจน์สมัยนั้นท่านเป็นผู้ที่ฟังธรรมมากเนี่ยนะติดตามใกล้ชิดพภาษาสดาอยู่เสมอท่านจึงเป็นผู้เป็นปหูสูตรมากพระไตรปิฎกที่เราเรียนกันทุกวันนี้เป็นพระไตรปิฎกที่ได้รับการเรียบเรียงแล้ว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 เพหลังจากท่านหลังจากกลุ่มพระอนนท์มาแล้วถือว่าปัญญาน้อยกว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นถือว่าเป็นปัญญาที่ที่ที่มากที่สุดแล้วในบรรดาผู้มีปัญญาทั้งหลายรองจากพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะกลุ่มนั้นถือว่ามีปัญญามากเพราะกลุ่มอรหันต์เหล่านั้นปรินิพานที่เหลือก็ปัญญาน้อยลงน้อยลงก็ถอยถอยถอ ย, ถอยของเราในรุ่นไหนถ้าเป็นคลื่นก็อุย้ยท้า ย, ายคลื่นเนี่ยเกือบจะ ก, กระทบฝั่งอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้แรงเท่าเหมือนคลื่นทะเลเนะ คลื่อนไงเคลื่นน้ําในชามหรือเปล่าเคลื่นเล็กน้อยเนี่ยปัญญาแบบนั้นไงทีนี้ออย่างที่ว่านะที่สุดของการพิจนาจรนาก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะก็คือยังไงอริยสัจก็ไม่พ้นจากทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโร ธ, ท, โร ธ, ท, โรธทุกขามิโรทักามินีปฏิปทาแต่การแทงตลอดเหล่านั้นนะ่ะจาเป็นจริงแล้วต้องแทงตลอดพร้อมด้วยกิจใช่ไหมเพราะ สภาพที่ควรกําหนดรู้แห่งทุกควรกําหนดสภาพที่ควรละแห่งทุกขสมุทัยควรควรกําหนดรู้เิ่มแปลยากนะนะฟังให้ดีๆนะสภาพที่ควรกําหนดรู้แห่งทุกควรกําหนดรู้ทับบาลีเต็มต้องเป็นอย่างนั้นสภาพที่ควรละแห่งสมุทัยควรกําหนดรู้สภาพที่ควรทําให้แจ้งแห่งทุกคานิโรธควรกําหนดรู้สภาพที่ควรเจริอแห่งทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานนั้นก็ควร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 ปริแปลว่ารอบยานี่แปลว่ารู้ซ้อนยอหญิงเข้ามาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าปริญญาแปลว่าเป็นผู้ที่รู้รอบเอยะตัวนั้นแปลว่าควรควรรู้รอบควรเข้าไปรอบรู้เนี่ยนะควรเข้าไปรอบรู้เราบารู้ให้หมดเลยนะรู้ว่าเอถ้าจะบรรลุจริงๆก็ต้องบรรลุพร้อมทั้งกิจใช่ไหมคือคืออริยสัจแต่ละข้อก็มีกิิจเป็น ของตนของตนทุกควรทําปริญญาสมุทยัยควรละนิโรธควรทําไม้แจ้งมักควรเจริญถ้าจะปฏิเวทเพราะเพราะสัตว์ทั้งหลายโดยมากเนี่ยปรารถนาปฏิเวทเหลือเกินปฏิเวทนี้แปลว่าอะไรรู้แจ้งแทงตลอดเพราะในหน้าหกนี้สังเกตดูนะปริญญาปฏิเวททัโถปริญญาปฏิเวทบรรลุด้วยปริญญาถ้าดูบาลีนี่จะจะดูถ้าจะเข้าใจมากกว่าเพรา ะ, ะผู้ที่ฟังทำมาเยอะๆจะเข้าใจว่าปริญญาปฏิเวท ปาราณะปฏิเวทสัชิกิริยาปฏิเวทภาวนาปฏิเวทเมื่อก่อนเนี่ยฟังก็บอกอุย๊ยบรรลุปฏิเวทเนี่ยนะอูยบรรลุเลยปฏิเวทแล้วก็ไอ้บรรลุอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาบรรลุกันแล้วกันเน่ยนะไปนั่งโคนไม้ตรงนั้นเขาบรรลุแล้วไปนั่งอยู่ที่ถ้ำโ น, น้นบรรลุแล้วเนี่ยเนะอ้เราก็อยากบรรลุบ้างไปนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นมันบรรลุสักทีนะเรีเพราะว่าจริงจริงมันก็หน้าแล้วล่ะเพราะยังไม่รู้เขาบรรลุอะไรเลยเนี่ยมาเจอในปฏิสัมพันธ์เพิ่งรู้อ๋อเขาบรรลุด้วยปริญญา อ่นะปริญญาปฏิเวทะเนี่ยนะแปลว่าบรรลุด้วยปริญญาปหานาปฏิเวทบรรลุด้วยการละสัิกิริยาปฏิเวสก็คือบรรลุด้วยการทําให้แจ้งภาวนาปฏิเวสคือบรรลุด้วยการเจริญเนี่ยนะการบรรลุเหล่านี้เขาก็มีหลักการบรรลุของเขานะไม่ใช่ว่าปิ้งขึ้นมาเลยนะะนะสงสัยแก้วแตกมั้งหรือแก้วกระทบกันสักอย่างอะไรสักอย่างเนี่ยได้ ทีนี้ถามว่าถ้ากล่าวแบบพิสดารเนี่ยนะพิสดารเต็มว่าทำที่บรรลุด้วยการทําปริญญาคืออะไรคือรูปทำที่บรรลุด้วยการละคือรูปสมุทยัยทำที่บรรลุด้วยการทําให้แจ้งคือรูปนิโรธทำที่ควรทําบรรลุอทำที่บรรลุด้วยการเจริญภาวนาก็คือรูปนิโรธคามินีปฏิปฏาทาธรรมะเหล่าอื่นๆก็นัยยะเดียวกันทานโอ้ยเปลี่ยนฟานหมดอะ ทีนี้การบรรลุเนี่ยนะถ้าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเอผู้ที่บอกว่าบรรลุบรรลุอริยสัจเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดท่านบอกว่าอมีหลักการที่บรรลุเป็นเครื่องวัดเช่นวะเนี่ยนะทุกทุกคสมุทัยทุกคณิโรธนะทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกความดับเหตุให้เกิดทุกความดับฉันทราคะในทุกอัาทาแห่งทุกอาทีนวะคือโทษแห่งทุกนิสรณะคืออุวยเครื่องสลัดออกจากทุกเหล่านี้เนี่ยนะ สังเกตดูว่ า, ท, าท่านท่านท่านเป็นห่วงเรามากกลัวเราจะบรรลุแล้วไปเป็นอย่างอื่นท่านก็เลยบอกว่าถ้าบรรลุจริงนะต้องบรรลุทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ถ้าบรรลุจริงก็ทุกขะสะสมุทะนิโรธต้องดับต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ขณะเดียวกันต้องบอกทุกยังยังย่มอมิงค์นะมองต้องดับฉันทราฆาในกองทุกข์นั่นะแล้วก็สุดท้ายคือนิสรณะแห่งทุกข์คือสลัดออกจากทุก อข้อที่แปดเนี่ยคําว่าอุบายเครื่องนี้โดยศัพท์เนี่ยถ้าจะให้ดีน่าออกเลยอุบายเครื่องนี้ไม่ดีเอาทิ้งไปเลยศัพท์นี้เพราะในในหน้าเจ็ดเนี่ยนะหน้าเจ็ดมีอยู่หน้าเจ็ดอยู่มีแปดข้อใช่ไหมข้อหลักๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเพราะตอนนี้พูดถึงนิพานนี่ยนิพานมีนิพานเนี่ยตัวนิพานนี่อุบายเครื่องด้วยหรือไม่ใช่เนาะคื อ, อเป็นนิสรณะนาสลัดออก ตัวตัวธรรมชาติที่สลัดออกบอกว่าทุกขในนี้เนี่ยนะทุกขสัจจะมีอยู่สองคือข้อหนึ่งกับข้อเจ็ดเป็นทุกขสัจจะทุกขังกับทุกขะะอาทีนโวเนี่ยนะทุกกับโทษแห่งทุกข์หรืออาทีนวะของทุกเป็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะมีอยู่สองข้อคือเหตุให้เกิดทุกทุกขสมุทัยเนี่ยนะกับอัศธาแห่งทุกเนี่ยทุกขะะอัสาโทเนี่ย ัข้อที่สองกับข้อที่หกเป็นสมุทยสัยจจะส่วนข้อสามข้อสี่ข้อห้าและข้อแปดเป็นนิโรสัจจะเป็นชื่อของพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือทุกขนิโรธทุกขะสะสมุทยนิโรธเนี่ยนะคือความดับเหตุแห่งทุกทุกขะสะชั้นทราคดานิโรธความดับชั้นทรนรมดาในทุกและนิสรทุกขะสะนิสรณะการสลัดออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นท่านก็ย้ําว่า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 ก็เอาขันอายาตนะธาตุเป็นต้นมาพิจารณาไข่ครวญโดยนิยะเดียวกันเนี่ยนะโดยนิยะเดียวกันส่วนอ่ะนะอันนี้ก็บอกแต่หลักการเฉยๆเนี่ยนะส่วนนิยะอื่นๆก็มีเวลาก็ออกไปไข่ครวนดูเถอะเป็นร้อยๆข้อเลยแหละป่วยปัญญาต้องอุ้ยต้องได้ปฏิสัมพิทาอยู่แล้วนะถ้าพิจารณาขนาดนี้ไม่ได้ติดปฏิสัมพิทาก็ให้รู้ไปทีนี้ถ้าพิจารณาแบบสัจธฐานสูตรเนี่ยนะสะัจธรรมสูตรดูนะทุก ในหน้าแปดทุก์เหตุให้เกิดทุกความดับทุกขตรงนี้เพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มอริยมรุกเข้ามาคือข้อที่สี่ที่บอกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับทุก์ใช่ไหมอาัสาธาแห่งทุกโทษแห่งทุกนิสรณะแห่งทุกเนี่ยนะคือสลัดออกจากกองทุกขนั่นเองอตรงนี้สมุทัยศัสตร์มีกี่ข้อสมุทัยศัสตร์มีสองข้อคือข้อสองกับข้อห้าคือเหตุให้เกิดทุกกับ อัาธาแห่งทุกข์ส่วนทุกขสัจจะมีกี่ข้อทุกขสัจจะมีสองข้อคือทุกขกับอาทินวะแห่งทุกคือเหตุแห่งทุกข์นะนยส่วนนิโรสัจจะมีอยู่สองข้อคือความดับทุกขกับนิสรณะคือความสลัดออกจากกองทุกขเนี่ยนะมันข้อสามกับข้อเจ็ดเป็นเป็นนิโรสัจจะเนี่ยนะทุกขกับโทษแห่งทุกขเป็นทุกขสัจจะ เหตุให้เกิดทุกข์กับอัศาธาแห่งทุกข์เป็นสมุทัยสัจจะความดับทุกข์กับความสลัดออกจากกองทุกข์เป็นนิโรสัจจะข้อสี่ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เป็นมัคสัจจะส่วนขันอายตนะเป็นต้นกลุ่มปิยรูปสาตรูปก็พิจารณาไปตามนั้นไปทีนี้วิธีการปฏิบัติเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูความพิสุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นฉนะัยพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียนมีสัมปชัญญะมีสติกำรรจัดอภิชาและโทมนัสไอคำว่าพิจารณาเห็นกายในกายก็คือกายานุปัสนากายานุปัสนาก็คืออนุปัสนาเจ็ดที่มีกายเป็นอารมณ์เวทานานุปัสนาก็คือ อนุปัสนาเจ็ดท <If> ี่มีเวทนาเป็นอารมณ์จิตตานุปัสนาก็คืออนุปัสนาเจ็ดที่มีจิตเป็นอารมณ์ธรรมานุปัสนาก็คืออนุปัสนาเจ็ดที่มีสัญญาและสังขารเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าดูในหน้าเก้าอนิจจานุปัสนาในรูปทุกขานุปัสนาในรูปอนัตตานุปัสนาในรูปนิพพานุปัสนาในรูปวิราคานุปัสนาในรูป อ น, นิโรธานุปัสนาในรูปและปฏินิสขานุปัสนาในรูปเ น, น, น, นีน่ยนะก็คืออนุปัสนาเจ็ดในรูปก็คือกายานุปัสนานันเองเนี่ยนะอนุปัสนาเจ็ดที่มีรูปขันเป็นอารมณ์คือกายานุปัสนาอนุปัสนาเจ็ดที่มีเวทนาขันเป็นอารมณ์เรียกว่าเวทนานุปัสนาอนุปัสนาเจ็ดที่มีวิญญาณขันเป็นอารมณ์เรียกว่ า, ตตาจิตตานุปัสนาส่วนที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสนา เพราะฉะนั้นในธรรมะ201ะเวนโลกุตระออกไปเป็นธรรมที่ควรเป็นอารมณะปัจจัยของอนุปัสนาเจดหมดเลยเพรา ะ, ะตัวอนุปัสนาเจตเนี่ยท่านจึงบอกว่าปัญญาที่เป็นเป็นที่เจาะเป็นที่ทะลุออกจากวัฏฏะนี้ปัญญาที่เป็นทำให้ทะลุออกจากวัฏฏะยังไงก็ไม่พ้นอนุปัสนาเจตทั้งหลายพักสักครู่ก่อน เนี่มาต่อเรื่องที่เราเรียนเลยนะในปฏิสัมพัทธา ม, มากกันนะในหน้าสิบไปเลยทียเ่เจนตอนหน้าสิบนั้นกล่าวถึงธรรมะที่เรียกว่าเป็นยานของอะไรนะสันติบทยานกับอาทีนวายานอารทีนวายานนั้นคือยานที่พิจารณาเห็นโทษ สันติบทยานก็คือยานที่พิจารณาเห็นสันติบทคือบทอันสงบเนี่ยนะบทที่ระงับบทที่ไม่กวนกวายในธรรมะเหล่านี้นะั้นในระดับธรรมะที่เป็นสุตตมา ย, ายานก็ต้องเอามาได้ยินได้ฟังให้ผ่านหูให้ให้ชินหูไปก่อนพอไปเรียนอาทีนาวายานต่อไปข้างหน้าก็จะมีกล่าวอีกครั้งหนึ่งในชุดที่หนึ่งเนี่ยนะในหน้าสิบที่กล่าวว่า อ, อุปาธาปวัตตนิมิตะอายุหะนะปฏิสนทิคตินิพติอุปติชาชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะและอุปาญาติสิบห้าคำเหล่านี้เป็นลักษณะของของอะไรของวัตตะนั่นเอง อ, อย่างทั่วไปเนี่ยท่านบอกว่าอะไรนะถ้าพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอะไรน่ากลัวนะนิมิตน่ากลัวถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์อะไรน่ากลัว ปวัตตาหน้ากลัวถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาอะไรน่ากลัวทั้งนิมิตและปวัตตานั้ น, นะน่ากลัวซึ่งก็อยู่ในตรงนี้ใช่ไหมปวัตตังอะความเป็นไปนิมิตก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายของอะไรของขันห้าความเป็นไปของอะไรก็คือขันห้าในภูมิสามที่เป็นไปเพราะะฉนั้นผู้ที่มนานสิการหรือทำปริญญามากจะเห็นความน่ากลัวของธรรมะทั้งสิบห้าข้อเหล่านี้นี่แหละ ทั้งความเกิดขึ้นเป็นไปเครื่องหมายกรรมที่ปรุงแต่งปฏิสนธิปฏิสนธิคือการสืบต่อจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งคติคติเนี่ยแปลว่าที่ไปของสารทั้งหลายนะมีนิรยะคติเป็นต้นคติตัว น, นั้นหมายถึงคติห้านะคติคือหนึ่งนรกสองเบระชานสามเปรตสี่มนุษย์ห้าเทวดาเนี่ยนะเรียกว่าคติห้า ความไปในที่นั้นหมายถึงคติห้านะไม่รู้ไปไหนนะไปบ้างหรือไปไหนดีในหมายถึงคติห้านะนิพาติก็คือความเกิดขึ้นในภพอุบัติก็คือความอุบัติในภพต่างๆชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายโศกความโศกปริเทวะความรำพันก็คือบนนั่นแหละอุปายาตก็คือความคับแค้นอึดอัด สิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะที่เรียกว่าวิวัตะข้างบนเนี่ยนะทั้งสิบห้าข้อเป็นลักษณะของวัตตะเนี่ยนะความเกิดขึ้นความเป็นไปเครื่องหมายกรรมที่ประมวลมาปฏิสนทิคติความบังเกิดความอุบัติชาติชราพยาธิมรณโะโสกปริเทวะอุปายาทพวกนี้เป็นลักษณะของวัตตะถ้าวิวัตะก็ตรงกันข้ามท่านิพานนั้นจะตรงกันข้ามกับวัตตะเสมอ คือความไม่เกิดขึ้นวัตตนนี่เป็นความเกิดขึ้นใช่ไหมพระนิพพานนั้นไม่เกิดขึ้นอับอับวัตตนนี่เป็นไปพระนิพพานนี่ไม่เป็นไปดังนั้นใครที่ได้ยินคําว่าอะไรนะจักขู่จักขูสมุ ท, ทยัยจักขูนิโรจักขูนิโร ธ, า ค, โรธาคามินีปฏิปทาจักขู่ก็คือคือจักขู่พร้อมทั้งสามภาระเป็นต้น น, นะยนะจักขู่สมุทัยก็คือตัณหาในการก่อนหรือตัณหาในพบก่อนที่ทําให้จักขู่เกิดเรียกว่า จกักรโหสมุทัยอัปปวัตะความไม่เป็นไปแห่งจกักขโหและจกักขโหสมุทัยอันนั้นแหละเป็นเป็นนิโรธเป็นนิโรธนิโรธข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำอัปปวัตะคือนิโรธให้แจ้งอันนั้นแหละเรียกว่าเรียกว่าทุกขานิโรธทักษ า, ามิจกักขโนิโรธทัามินีปฏิปฏาทาฟันพวกบทเหล่านี้เนี่ยก็สามารถพิจารณาตรงกันข้ามนะนะ ว่าวัตตนนั้นมีลักษณะเกิดขึ้นวิวัตตไม่เก well ิดขึ hmm ้นว <laughs> ัตตนนี <majors> ่เป็นไปวิวัตตนี่ไม่เป็นไปวัตตะมีเครื่องหมายคือขันธ์ห้าวิวัตตไม่มีเครื่องหมายคือขันธ์ห้าวัตตนํนไปสู่พบใหม่วิวัตตไม่นาไปสู่พบใหม่วัตตนนี่เป็นการเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิสนธิสืบต่อถ้าวิวัตตไม่ปฏิสนธิไม่ต้องสืบต่อ วัตะเป็นไปในคติห้าวิวัตะไม่ต้องไปในคติห้าวัตะนั้นเป็นความเกิดขึ้นในภพวิวัตะไม่บังเกิดขึ้นในภพวตะเป็นชาติวิวัตะไม่เกิดไม่มีชาติไม่เกิดวตะเป็นชราวิวัตะไม่ชราวตะความป่วยไข้วิวัตะไม่ป่วยไข้วัตตะนี้มีความตายวิวัตตะอมตะคือไม่ตาย อมรณะก็อมะตะอันเดียวกันนะออ น, นะอมอมน่ะนะออมนแปลว่าไม่ตายวะตะนี่เป็นมีความโศกนะวิวัตะไม่โศกวะตะมีความคร่ำครวญราพันวิวัตะไม่คร่ําครวนรําพันวัตตะมีความคับแค้นใจวิวัตะไม่คับแค้นใจโอ้ดีขนาดไหนนะใครไม่ปรารถนานิพานนี่ก็เคล้ามากแล้วนะทําไม เอาก็นี่ไงไม่ต้องเกิดไม่ต้องเป็นไปไม่ต้องมีเครื่องไม้ไม่ต้องไปเกิดในนรกเป็นตนไม่ต้องสืบต่อปฏิสนที่จากท้องใครไปหาท้องใครก็ไม่รู้ไม่ต้องไปในกติห้าไม่ต้องบังขันห้าบังเกิดอุบัติไม่ต้องเกิดแก่ป่วยไม่ต้องตายไม่ต้องเสียใจวิไรรำพันธุ์ไม่ต้องลำบากกายคับแค้นใจเนี่ยนะนีพผ่านดีทําไมไม่ปรารถนาเนาะเพราะนั้นเขาก็เลยปรารถนานี่ผ่านกันก็ได้กราบปรารถนาก่อนก็ดีแล้ว ทีนี้ถ้าในชุดที่สามนี่เห็นชัดเลยว่าเกิดการเทียบเทียงระหว่างวัตตะกับวิวัตตะได้ชัดขึ้นทีนี้ลักษณะของวัตตะในในยะที่สองเนี่ยนะพูดถึงว่าลักษณะของวัตตะเนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยความเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความเป็นไปก็เป็นท really exactly ุกข์เครื่องหมายก็เป็นทุกข์กัมที่ประมวลมาก็เป็นทุกข์ความสืบต่อก็เป็นทุกข์ความเป็นไปในคติหาก็เป็นทุกข์ความบังเกิดในภพก็เป็นทุกข์ ความอุบัติในภพก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยก็ก็ทุกข์เนี่ยนะความตายก็ยิ่งทุกข์เลยนะเขาบอกว่าเอ๊ะขณะตายทุกข์ด้วยหรือขณะตายไม่ทุกข์หรอกมันทุกข์ก่อนจะตายก็ดูคนที่รู้ว่าตัวเองจะตายดูสิจะทุกข์หรือเปล่าเนะแล้วญาติของคนที่จะตายล่ะเนนี่ยะก็ทุกข์อีกกันวนะความโศกก็เป็นทุกข์ความบ่นก็เป็นทุกข์ความลําบากใจความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ถ้าตรงกันข้ามก็เป็นสุขสิถ้าไม่เกิดก็เป็นสุขไม่ต้องเป็นไปก็เป็นสุขไม่มีเครื่องหมายคือขันท่าก็เป็นสุขกรรมที่ไม่นําไปสู่ภพใหม่ก็เป็นสุขไม่มีปฏิสนธิในคันเดรานเป็นต้นก็เป็นสุขไม่ไปในคติห้าก็เป็นสุขไม่บังเกิดในภพสามก็เป็นสุขไม่อุบัติในภพสามก็เป็นสุขไม่เกิดก็เป็นสุขไม่แก่ก็เป็นสุขไม่ตายก็เป็นสุขไม่ป่วยก็เป็นสุข ไม่เศร้าโศกก็เป็นสุขไม่รำพันก็เป็นสุขไม่คับแค้นใจก็เป็นสุขมัน น, นนิพานนี่คือความสุขหรือไม่ต้องการความสุขกันด้วก็ต้องการอยู่แล้วนะเานาะปัญหาว่าไม่ค่อยรู้จักความสุขที่แท้จริงก็เลยปรารถนาทุกข์อยู่ร่ําไปอั้นคนที่รู้จักความสุขที่แท้จริงเขาจึงปรารถนาวิวัตะที่เป็นแดนกเกษมจากโยคะเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกเครื่องมัดโดยประการทั้งปวงเพื่อเข้าสุขที่แทเข้าถึงสุขที่แท้จริง สังเกตเห็นชัดนะซ้ายมือเป็นทุกข์ขวามือเป็นสุขเกิดการเทียบเคียงเกิดการเทียบเคียงอย่างการเห็นเนี่ยนะเป็นทุกข์หรือถ้าไม่เห็นเนี่ยสุขจริงไหมมาคิดดูนะเอาลองทาวานหูอีกถ้าได้ยินเนี่ยทุกข์จริงหรือถ้าไม่ได้ยินนี่สุขจริงหรือทวานจมูกอีกถ้ามีจมูกรู้กลิ่นทุกข์หรือถ้าไม่มีเป็นสุขหรื อ, อช่างดูนะมีลิ้นกับไม่มีลิ้นอันไหนดีกันมีกายกับไม่มีไหนดีกกัน มีใจกับไม่มีใจไหนดีกว่ากันนะแต่พวกยินดีในทุกอยู่นะพวกชอบทุกข์ทั้งหลายก็บอกโอ้ยไม่มีมันจะไปดีอะไรก็เนี่ยก็ถูกทุกข์มันสอนเองแหละไม่ต้องห่วงกันนะต่อแต่ถ้าปัญหาว่าไม่ยอมฟังธรรมก่อนเมื่อไม่ฟังธรรมก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะเมื่อไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่ต้องออกนะควรออกอย่างยิ่งเมื่อไม่มีข้อมูลว่าต้องออก พอถูกทุกครอบงมก็มีแต่ความหลงหลงเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ความลุ่มหลงเมื่อมีแต่ความลุ่มหลงแล้วก็นี่อะไรแนะนำอะไรกันได้เขาไม่รู้หรอกว่าการเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นภัยความเป็นไปแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นภัยเครื่องหมายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นเป็นภัยกรรมที่ประมวลทาให้มีตาหูจมูกลิ้นก็ เป็นภยัยคติการเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายใจในคติห้าก็เป็นภัยความบังเกิดก็เป็นภัยความอุบัติของเป็นภยัยหรือว่าแม้กระทั่งความเกิดแก่เจ็บตายของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะพวกนี้ยเป็นต้นเหตุแห่งโศกปริเทวทุกขโทมานัสอุปา ย, ยาตพวกนี้ก็เป็นภัยแปลว่าภายัภายพ ย, ย, ย, ยะพยโตแปลว่าภัยภัยแปลว่าอะไรภยัย น, น, นะน่ากลัวนะี่นะน่ากลัวนแต่ยังไม่ได้กลัว รู้สึกว่าหน้ากลัวเฉยๆแต่ยังไม่กลัวใช่ไหมเอ้าเนี่ยตอนลืมตาเห็นนะตาถ้าเราเห็นเนี่ยเราดึกเออมันน่ากลัวนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กลัวอย่างนะ้ได้ยินเสียงอุ้ยหน้ากลัวมากแต่ตอนนี้ยังอ่ะเนี่ยเนีก็ไม่แน่นะหลายคนบอกกลัวแล้วจ้าันจริงหรือเปล่าเนี่ยเนีอให้กลัวจริงๆถอะถ้ากลัวจริงๆก็จะเมื่อเบอร์หน้าย่อมคลายกำลัดเพราะพยานอันใดอ่าพยานถ้าบวกอุปทานะเข้าไปตั้งไว้ เข้าไปตั้งไว้โดยความเป็นของหน้ากลัวพยะบวกอุปทานะแปลว่าพยตูปทานะก็ไปตั้งไว้โดยความเป็นของหน้ากลัวพยตูปทานยานอันใดอันนั้นเป็นอาทีนวายานนนิพพิทายานอาราทีนวายานอันใดอันนั้นเป็นนิพพิทายานก็อันเดียวกันนั่นแหละอันความว่าน่ากลัวกับคําว่าเห็นโทษกับคําว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายก็สิ่งเดียวกันก็ให้มันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะ ต่อไปมามาดูว่าถ้าไม่เกิดเนี่ยนะตรงกันข้ามถ้าไม่เกิดเนี่ยปลอดภัยจริงนะอนะก็เรียกว่าพยังกะบเขมังเลยนะเกษมอ่านะอาโซกังวีรชังเขมังเนลยนะในในมงคลใช่ไหมเกษมอ่า น, นะเกษมก็คือปลอดภัยเกษมแปลว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยปลอดถ้าไม่เกิดเนี่ยปลอดภัยแน่ไม่เป็นไปในวัฏฏะเนี่ยนะข้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดก็ปลอดภัยไม่เป็นไปก็ ปลอดภัยไม่มีเครื่องไม้ยหั้งสียงเหล่านี้ก็ปลอดภัยกรรมที่ไม่นํามาให้มีแบบนี้ก็ปลอดภัยไม่ต้องปฏิสนธิอีกก็ปลอดภัยนาะยก็บอกอุย้ยแล้วก็อดเที่ยวสิเหมือนกันเออไปเที่ยวในอบายสิอะไรนี่จะลําบากแล้วกันเนี่ยโ อ, อ้ไม่เที่ยวดีกว่าเนี่ยนะยก็ บ, บอกว่าอุย้ยอดเที่ยวเลยแบบโพลว่าอีกทีหนึ่งตั้งหลายคุมเลยนะนะนะี่อันนี้ก็โอ๊้ไม่เกิดดีกว่าเนะนะี่ยอําลาแล้วยนเะบอกมืออําลาเลยนะเพราะฉะนั้นการไม่ปฏิสนธิในพบต่างๆ พูดเอกในนั้นก็บอกว่าการไม่เสนอตัวในพบเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดแล้วอาการไม่ไปปรากฏตัวตามคติต่างๆเนี่ยปลอดภัยที่สุดเพราผลการไม่ไม่เกิดในคติห้าไม่บังเกิดไม่อุบัติไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายไม่โศกไม่รำพันไม่ครับแค้นใจนี่เป็นความปลอดภัยอย่างแท้จริงก็ดูนะว่าวัตตะวิวัตะอันไหนเป็นภัยอันไหนปลอดภัยนั่นผู้ที่พิจารณาระดับสูงนั้นจิตจึงน้อมออก เพราะการที่ทําไมเขาจึงน้อมออกเพราะเขาเห็นว่าเป็นความปลอดภัยเนี่ยนะดีจริงก็ก็ตั้งคําถามง่ายๆอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งในโลกนี้ที่เรียกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งมวลพระพุทธเจ้ามีดีขนาดนี้ประสบกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เลื่อเลืทั้งหลายเยอะแยะไปหมดทําไมพระองค์จึงสอนให้ออกก็แสดงว่าในที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่ดีจริง ดีจริงชั่วระยะหนึ่งนะนะดีแต่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ดีถาวรไม่ดีตลอดไปเพราะนั้ถามว่าเมื่อความดีหมดไปความเลวร้ายก็ปรากฏวตัตตาทั้งหลายก็ลักษณะนั้นเมื่อสิ่งที่เรียกว่าท้าอัศาธาในสิ่งนั้นลดลงโทษก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ใช่หรือถ้าสิ่งนั้นเราเราเราเลิกปรารถนาเนี่ยนะสิ่งนั้นเป็นกองโทษไม่ใช่หรือเขาบอกว่าอย่างอาหาร ตอนที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะเราบอกว่ามันน่าปรานะรถนาอร่อยอร่อยมากพอกินอินน้ำสําราญพับพิษก็กํากกเริบขึ้นกําเริบขึ้นกําเริบขึ้นโทษปรากฏแล้วใช่ไหมแล้วความน่าอร่อยอร่อยที่ที่มีเนี่ยหายไปไหนหมดโทษทั้งมวลก็ได้ปรากฏแล้วเมื่อโทษปรากฏแล้วเนี่ยนะถามว่าถ้าออกเนี่ยดีไหมเนี่ยนะก็ออกจากทุกโทษเหล่านั้นจึงเป็น ความดีพันผู้ที่พิจารณาระดับสูงนะเขาจึงมีการชั่งเพราะเขาปรารถนาความสุขสวัสดีโดยประการทั้งปวงเขาไม่ต้องการอะไรนะแก้ปัญหาไปแค่กลบเกลื่อนไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการจะดับแบบถาวรต้องการแก้ปัญหาเอางี้ดีกว่าว่าค่อยๆทยอยส่งเจ้าหนี้ทุกวันไปเที่ยวขูดแกะกระปุกออมสิน มาใช้นี่ทีละวันทีละบาทสองบาทไปเรื่อยเข้ามาทวงมาคมคู่กลับบอกว่าปลดให้มันหมดทีเดียวเลยไนะดีกว่ากันก็ปลดให้หมดทีเดียวดีกว่าถ้ายังมีทุกอยู่ก็อย่างนี้แหละก็ค่อยๆจ่ายไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยจ่ายด้วยอะไรนะวัตถเนี้เอาอะไรมาจ่ายเอาทรัพย์ที่มีอยู่มาจ่ายก่อนนะที่เหลือมันจ่ายด้วยอะไรความแก่ก็มาเรียกทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็จ่ายด้วยน้ําตาจ่ายด้วยเนื้อจ่ายด้วยเลือดจ่ายด้วย ชีวิตเออจ่ายด้วยชีวิตก็ไม่แพงนะถ้าเที่ยวก็ต้องไปสู่อาบายนั่นมากกว่าก็จ่ายด้วยการไปชดใช้กรรมในอาบายปัญหาว่าเอ๊ะไปอยู่ในอาบายเนี่ยนะใช้กรรมอย่างเดียวหรือใช่ใช่ไหมไปอยู่ใช้กรรมอย่างเดียวไหมสมมติอหูกรรมเก่านะทำให้เราไปเกิดเป็นเป็นปลาไปใช้กรรมหรือไปทำกรรมกันแน่ ก็ปลาบางตัวเขาบอกว่าปลาทูน่าตัวที่เป็นกิโลกิโลนะมันกินปลาด้วยกันประมาณยี่สิบล้านตัวกว่าจะโตเป็นปลาทูน่าที่สมบูรณ์เนี่ยเนี่ยี่สิบล้านตัวเองเนาะไม่โอ้โหทากรรมขนาดนั้นเลยนะทั้ทงชาติถามว่าถ้าเราไปเกิดเป็นงูกรรมเก่าที่เราเป็นคนขี้โกรธหัวฟัดหัวเวียงก็เลยไปเกิดเป็นอสา ร, รพิษมีพิษร้ายกินอะไร กินกบกินเขียดกินสัตว์กินแมลงกินขอให้ถ้าสมมติมันอยู่ในรูอะไรที่ตกลงไปในรูมันกินหมดอ่ะนะแมลงตัวใดก็ตามเถอะกินหมดเลทีนี้ถามว่ากัามันจะโตทําไม่มีใครฆ่ามันจนตลอดอายุไขนี่มันฆ่าได้กี่ตัวมันจากอบายสัวอบายจากอบายสัวอบายเนี่ยหลุดจากอบายจึงยากนั้นถ้าไม่เผลอตัวไปแล้วมันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ออกถ้าออก ออกจริงๆออกแท้ๆออกถาโวนั้นจึงเป็นความปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ต้องมีภัยไม่ต้องมีอะไรที่มันน่าลัวอีกต่อไปวัตะทั้งหลายเนี่ยนะวัตะทั้งหมดความเกิดขึ้นความเป็นไปเครื่องไม้กรรมที่นำไปสู่วัตะปฏิสนธิคตินิพพติความอุบัติชาติชารามรณะพยาธิมรณะโศกกะปริเทวะทุกโทรมรณอุปายาตสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องล่อของพญามัน เครื่องล่อของอะไรก่อนกิเลสมารใช่ัหมกิเลสมาเนบอกว่าโอ้หน้าปรารถนาะหน้าพอใจนะดีนะมันชมใหญ่เลยนะชมใหญ่ว่าโอ้ดีพิเศษอะไรเงี้ยนะเหมือนคนอะไรนะเขาล่อลวงไปต่างประเทศใช่ไหมออ้ดีไรายได้ก็ดีกินอยู่สบายอะไรไก็ชมกันพอเชิญชมเบ็ดเสร็จก็พาไปแล้วพอพาไปถึงอ่ามันตรงกันข้ามทุกอย่างที่พูดหมดเลยนะอะไ ร, นะะไรเล่นงานเทวปุตตมานก็เล่นงาน พระเทวบุะ b u d d h เล่นงานขันธมานก็ซัดมัจจุมาณก็ประหารเรียบร้อยพราะันพวกนี้เป็นเหยื่อของกิเลสมานเป็นเหยื่อของเทวบุตร u d d h i เป็นเหยื่อของขันธมานและเป็นเหยื่อของมัจจุมานขณะเดียวกันเนี่ยกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมกรรมอภิสังขารมานก็นําไปสู่พบหมาอีกถูกลวงแล้วลวงเล่าลวงแล้วลวงเล่าใครนะมันทั้งใจดําจริงเลยพาไปเรื่อยนะใครนะควรฆ่าจริงๆเลยนะ ท่านบอกว่าจิตนี่แหละจิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะเขบอกว่าควรค่าที่สุดในมาคัญทีย่าสูตรเนี่ยบอกว่าพวกเราทั้งหลายถูกจิตมันหลอกมานานแล้วถูกวิญญาณหลอกอนะถูกแล้วถูกวิญญาณหลอกวิญญาณใครวิญญาณเราเนี่ยแหละวิญญาณภายในอ่ะรู้ได้ยังไงก็เนี่ยวิญญาณที่เห็นที่ได้ยินรู้กลิ่นที่นึกคิดอยู่ตอนเนี้ยตัวนั้นน่ะมันจะหลอกไปเรื่อยมันหลอกว่ายังไงบ้างมันหลอกว่าเออฉันนี่ดีนะฉันแน่นอนฉันซื่อสัตย์กับคุณเสมอใช่ไหม ใจเรามันบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมเฮ้ยเราซื่อสัตย์กับตัวเองเสมอเราไม่หรกอกอ้อย่างเราเนี่ยระดับเราเนี่ยอะไรกร็รกว่าไปเรื่อใช่ไหมในที่สุดนะมันฉุดไปสู่พ่อใหม่เรียบร้อยหมดเออโลกนี้ถามว่าเราเชื่ออะไรที่สุดนะที่นั่งนั่งกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเชื่อความคิดตัวเองมากที่สุดที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดนะเชื่อความคิดถ้าความคิ ด, คคดเราบอกเอาด้วยเอาด้วยเออเชื่อเชื่อแต่ความคิดบอกไม่เอาก็ไม่เอาโดยประการทั้งปวงไม่รู้ว่าตัวความคิดตัวนั้นะคือเหยื่อของพญามารเนี่ยนะ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 แต่และอย่างเนี่ยปรุงมากโดยที่สุดแม้แต่มนุษย์ในความเป็นมนุษย์ที่เราได้กันอยู่นี้เนี่ยถามว่าปรุงมากหรือปรุงน้อ ย, อยปรุงกว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเจือใ น, นกระดูกกว่าจะเจริญเติบโตทางรูปประกายนามกายทางความคิดจิตวิญ ญ, ญาณอุ้ยปรุงมากปรุงมาเหลือเกินกว่าจะได้เท่านี้เนี่ยนะถูกนุ่มมาหมดเลยนะไปรับไปเห็นไปได้ยินไปทุกไปสุขไปกว่าจะได้มาเท่าทุกวันเนี่ยไม่ได้ปรุงมาธรรมดานะปรุงมากจริงๆเลย ปรุงไปปรุงมาหลายตัวหลายแห่งนี่สุกเลยปรุงจนสุกเลยก็มีปรุงสุกเนี่ยนะถ้าแป้งถ้าปิ้งเนื้อสุกนั่นเป็นยังไงมันไหมเลยเลยเกรียมไปหมดเลยนะเราทั้งหลายปิ้งไปปิ้งมาผิวหนังก็เกรียมขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันถูกปิ้งเลยคันนี้เพราะพวกนี้ปรุงยิ่งปรุงวัตะานี่เป็นความปรุงจริงๆทุกเรื่องในโลกนี้ที่เราเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นเห็นไหมและคำว่าผู้ปรุงเนี่เหน็ดเหนื่อยหรือไม่เหนื่อย ถ้าเป็นแม่ครัวที่โอ้โหอาหารขายดีมากเลยนะจะเป็นยังไงาการปรุงในวัตถะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปรุงง่ายๆเนี่ยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่จะปรุงขึ้นอย่างปรุงให้มีขันทา่าอายตนะปรุงให้ตามองเห็นเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ปรุงง่ายๆเนี่ยนะหลายคนนี่จะไปเข้าอู่ซ่อมหูอีกแล้วเนี่ยหลายคนนี่ก็จะมู่ก็จะต้องพ่นอยู่นั่นแหละหลายคนนี่ก็ฟันจะต้องถอนต้องครูต้องอะไรอ ย, อยู่นั่นแหละ เอกหลายคนก็มีหัวก็ปวดหัวมีแขนก็เมื่อยแขนมีลําตัวก็ปวดตัวมีเข่าก็ปวดเข่ามีหลังก็ปวดหลังนั่งขดนั่งแข็ ง, งนั่นแหละอสรุปว่าปรุงยากมากให้มันพอดีพอดีแล้วทีเนี้ยปัญหาว่าปรุงร่างกายดีหมดเลยใจมันเครียดอีกหละมันนั่งปรุงใจอีกนะบอกว่ารูปประคันนี่ว่าปรุงยากไม่ยากเท่านา ม, มาขันรอกกล่อมใจตัวเองนี่ถือปรุงง่ายไหมปรุงยากมาก ท่านความคิดเนี่ยปรุงยากโดยเฉพาะปรุงให้เป็นอริยมรคนี่สิยิ่งยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอริยมร์ประเสริฐที่สุดมันอริยมรคนี่ต้องปรุงขนาดไหนอย่างอารหัตธรรมของพระพุทธเจ้าปรุงเท่าไหร่ฉเฉพาะวันนับตั้งแต่วันได้รับพยากรณ์คิดปรารถนาในใจอีกตั้งหากเปลงวาจาทําบุญปรารถนาอีกตั้งหากหลังสรุปว่าของพระพุทธเจ้าของเราก็ยี่สิบอสงไขยแสนกับนี้ทําแบบคนมีปัญญานะ ทำแบบฉลาดที่สุดแล้วถ้าทำแบบคนมีศรัทธาคูณสองเป็นสี่สิบถ้าเพี้ยนอย่างเดียวคูณอีกสองนะสี่สิบคูณสองก็เป็นแปดสิบงไขนั่นก็โหถ้าพวกนี้ปรุงยากมากกว่าจะปรุงสำเร็จเนี่ยนะแต่ว่าถ้าปรุงเสร็จแล้วดีเป็นอะไรนะเขาบอกว่ายายาสำรอกในโลกเนี่ยนะ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 เป็นสุขสิ่งนั้นปลอดภัยสิ่งใดปลอดภัยสิ่งนั้นไม่เป็นเครื่องลอ่อสิ่งใดไม่ใช่เครื่องลอ่อสิ่งนั้นคือพระนิพพานเนี่ยนะพรานพระนิพพานนิจึงดีนิพพานังปรังสุ ข, ขังนิพพานจึงเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะบอกว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเออหมายถึงว่า พระพุทธสาวกทั้งหลายพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายท่านบอกว่าพระนิพพานเนี่ยคือธรรมที่สูงที่สุดเป็นธรรมที่สุดยอดประมังอนิพพานังประมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเนี่ยคือสุดยอดของธรรมทั้งมวลเนี่ยนะตรงตรัสว่าในบรรดาธรรมทั้งที่เป็นสังฆตะอสังฆตะวิราคะคือพระนิพพานประเสริฐที่สุดเนี่ยนะ พระนิพพานนี่เป็นธรรมที่สูงสุดเป็นธรรมที่สุดยอดแล้วพป็นิพพานนี่ไปหาพบที่ไหนนะถ้าจะหาให้พบหาพบที่ไหนที่ใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกถ้าจะแสวงหาพระนิพพานก็หาที่นั่นนั่นแหละที่ไหนตาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกถ้าจะแสวงหาพระนิพพานก็หาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละไปหาที่อื่นหาไม่พบหรอกไปหาที่อื่นเอาอะไรไปหาอีกนะ มัตั้งคำถามมีอะไรไปหาอีกต้องหาด้วยอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะจากขู่นิโรธคามินีปฏิปทาโสตคาณะชิวหากายะนิโรธคามินีปฏิปทามโนโนิโรธคามินีปฏิปทาต้องหาด้วยอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดจึงเป็นปฏิปทาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งทีนี้อารยมรักลักษณะของเข้าเป็นยังไงมาดูหน้าสิบแปดนะมาหน้าสิบแปดเนี่ยเป็นการ สันเสริญลักษณะของอริยมรรคเป็นหลักว่า mau. ขณะที่แทงตลอดอริยมรรคนั้นเป็นอย่างไรอริยมรรคนั้นลักษณะของเขาคื um. อปร yeah. ิหะกําหนดถือเอากําหนดเอาอะไรอริยมรรคกาหนดอะไรปกตินะอริยมรรคมีอะไรเป็นอารมณ์ท่านี้ผ่านเป็นอารมณ์ทีนี้ตัวอริยมรรคเนี่ยนะมรรคแปดเนี่ยเป็นบริวารของการในการเช่นสัมมาทิฏฐิเป็นเป็นประธานมรรคเจ็ดที่เหลือเป็นบริวารถ้าสัมมาสังกัปปะเป็นประธาน มักเจ็ดที่เหลือก็เป็นบริวารสรุปเป็นบริวารของกันและกันมักแปดเนี่ยต้องบริบูรณ์บริบูรณ์ด้วยภาวนาจึงจะเกิดได้ถ้าภาวนาไม่บริบูรณ์เรียกว่าเต็มรอบเนี่ยนะปริปูระเนี่ยนะปริบูรณ์อะบริบูรณ์บริบูบรณ์ด้วยอำนาจของภาวนาคือสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถาภาวนาคืออะไร สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะสมาธิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นเป็นอะไรเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แปดนั้น่ะต้องบริบูรณ์ด้วยภาวนาคือสมถะและวิปัสนาภาวนาขณะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะสมาธิเป็นยังไงเป็นเอกคตาใช่ไหมคือไม่สัดสายไปในอารมณ์อย่างอื่นเลยมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียว เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความฟุ้งซ่านเมื่อสมาธิตั้งมั่นวิริยะก็ประคองไว้สมาธิก็ทำให้ไม่กระจายด้วยอำนาจของความเพียรจึงไม่ขุนมัวด้วยอำนาจของสมาธิจึงไม่กำเริบคือไม่หวันว่นไหว้ลจิตจึงสามารถตั้งมั่นด้วยความเป็นเอกคตาคือตั้งอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวด้วยสามารถความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกคตา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 Uh, อริยมรรคนี้เป็นสมุทเฉทิปะหารเพราะมีอารมณ์คือนิสระนาปะหารพระนิพานนี้เป็นนิสระนาปะหารเป็นอารมณ์ของอริยมรรคที่เป็นสมุทเฉติปะหารเพราะนนั้อริยมรรคที่มีนิสระคือนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงทาหน้าที่สละกิเลสได้อะไรอริยมรรคนั้นออกจากอะไรออกออกออกโดยส่วนสองออกจากนิมิตและปวัตตะนิมิตคืออะไรปวัตตะคืออะไร อุตส่าห์พูดมาทั้งเยอะแยะเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละที่พูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ผ่านมาสามร้อยข้อนั่นแหละใช่ไหมครบสามร้อยไหมมนั่นแหละเขาบอกว่าลักษณะของอริยมรรคเนี่ยออกจากสิ่งที่เป็นออกจากหมวดธรรมประมาณร้อยห้าสิบน้อมไปหาหมวดธรรมอีกร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นออกจากนิมิตและประวัติตะออกจากขันธนิมิตออกจากความเป็นไปใน ปวัตตาสภาพที่หลีกหลีกจากไหนก็หลีกจากนิมิตแล้วปวัตตาพะะันอารยมครคนั้นละเอียดมากสันตะสันตะเนี่นะละเอียดคือสันตะบางทีแปลว่าสงบก็ได้หรือแปลว่าดับสนิทก็ได้เมันอารยมครคนั้นจึง ป, ปณีตะประณีตแปลว่าไม่เดือดร้อนที่ไม่เดือดร้อนเพราะตัวเองเนี่ยคือสูงสุดอยู่แล้วไม่ต้องไปร้อนเรื่องอะไรอีกแล้วอารยมครคนั้นเป็นมิมุต วิมุตติเนี่ยนะวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากกิเลสเพราะอาริยมรรคนั้นมีจิตโอนเอนโน้มไปในพระนิพพานอย่างเดียวอริยมรรคนั้นอนาสะวะแปลว่ามิใช่แดนโคโจรของอาสะวะทั้งหลายอาสะวะนี่จริงๆนะกามาสะวะเป็นต้นไม่ชอบอริยมรรคนะพระนันจึงไม่เที่ยวไปในอริยมรรคเพราะไม่ใช่วิสัยของของตัวไม่ใช่วิสัยของตนเนี่ยนะ คือพวกอาสวะอย่างที่กล่าวไปว่ามันเหมือนกับมแมลงวันนั่นแหละไม่ชอบของร้อนอะไรนั่นเอมันชอบอะไรนั่นแมลงวันนั้นพวกอาสวะทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนั่นเองนันอริยมรคนั้นจึงไม่ใช่วิสัยของอาสวะคือไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายไม่เข้าไปยึดถืออริยมรคนั้นตรณะเนี่ยนะตระหะคือข้ามใช่ไหมข้ามจากอะไรข้ามจากกิเลสกันดานและข้ามจากสังสารวัตที่กันดาน พิเรนนี่มันกันดานไงกันดานแปลว่าอะไรแห้งแรงไงกันดานนี่แปลว่าแห้งแรงเช่นกันดารน้ำเนี่ยไกันดานอาหารก็คือขาดแคลนอาหารเป็นต้นถ้ากันดานโจนผู้ร้ายนี่แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าขาดแคลนโจนนะแปลว่าชุกชุมไปด้วยโจนผู้ร้ายเนี่ยนะแต่ถ้ากันดานข้าวกันดารน้ําแปลว่าขาดแคลนข้าวน้ําแต่ถ้ากันดานโจนผู้ร้ายแปลว่าชุมไปด้วยโจนในคำว่ากันดานก็เลยยังนึกไม่ออกว่าแปลว่าไงดี มันอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวข้ามจากกิเลสกันดานและสังสารวัตรกันดานสังสารวัตเนี่ยมันกันดานแค่ไหนดูสิเมียนไหวตายเกิดนี่กันดานไหมถ้าไปเกิดในอาบายเป็นต้นตองมาว่านะโยมยุงตัวนิดๆเนี่ยมันเกิดอายุแค่ไม่กี่วันมันกินอิ่มกี่ตัวยุงเนีตัวกนนิดเดียวแล้วมันกินอิ่มกี่ตัวใครบริจาคเลือดให้มันมั่งถ้าเราบริจาคเลือดให้ยุงยุงก็บริจาคมาลาเรียบริจาคไข้เลือดออกให้เราอย่างนันะ ก็เลยไม่ค่อยมีใครเสียสละเนี่ยนะเพราะไม่อยากรับบริจาคของยุงใช่ไหมเพราะนั้นถ้าไปเกิดเป็นยุงตัวนิดเดียวก็โอ้โกว่าจะอิ่มก็ยากแล้วไปเกิดตัวใหญ่กว่านั้นอี ก, กนะอย่างช้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นช้างนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดหน้านี้นะเดือดร้อนมากเลยเพราะไม่รู้จะไปกินอะไรเนี่ยนะไม่มีอะไรให้กินเพราะนั้นพวกนี้คือสังสารวัตรกันดารละ่ะส่วนพระนิพานนั้นไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นเครื่องหมายคือนิมิตนิมิตสังขานิมิตไม่มีอแล้วก็พระนิพพานนั้นมีที่ตั้งคือตัณหาไหมไม่มีพระนิพพานนั้นว่างจากอัตตาตัวอัตตามีอยู่ในพระนิพพานไม่นิพพานคืออัตตาใช่ไหมไม่ใช่พระนิพพานจึงไม่มีอาตาัตตสาระไม่มีอัตตาเลยทีนี้ถามว่าสมถาวิปัสสนาเป็นยังไง มีกิจเหมือนกันกิจกิจของสมถาวิปัสนาคืออะไรคือแสวงเอ้ยแสวงรถเดียวเนี่ยนะหน้าที่ของเขาคือสแสวงหาวิมุติรถรถแห่งความหลุดพ้นจากวัตะสมถาวิปัสนานี้ไม่ล่วงเลยซึ่งกันและกันเป็นที่เรียกว่าคู่ขนานกันไปใช่ไหมสมถาวิปัสนานี่คู่ขนานนั้นสมถาวิปัสนาที่บริบูรณ์สมบูรณ์นั้นเป็นนิยานะเป็นนิยานะก็คือนิยานิกะนะนําออกจาก สังขารนําออกจากวัตทุกข์นําออกจากภพอริยมรรคเนี่ยมีอยู่สี่คำนะคือนิยานิกะเหตุทัศนะและอธิปไตยใช่ไหมมีอยู่สนะี่คํานลักษณะของอริยมครรคคือนําออกจากสังขารทุกข์ทั้งมวลนําออกจากกิเลสทั้งมวลพระนิพพานอริยมรรคนั้นเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอริยมรรคนั้นเห็นอะไรเห็นพระนิพพานอริยมรรคนั้นยิ่งใหญ่ ถามว่าใหญ่มาอยังไงใหญ่เหมือนตระกูลที่มากไปด้วยพวกข้ศัพย์เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนกับกิเลสทั้งหลายยากจนเนี่ยนะกิเลสนี่แห่งแรงกันดานไม่เชื่อตอนที่เราหงายเงาดูสิแห้งแรง้งไหมกันดานมากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยใจนีด้เดียวนะคนมีกิเลสรอบงามเนี่ยนะที่น้อยอกน้อยใจเขาเรียกว่าน้อยแปลว่าไม่ในเยอะนะใจน้อยเดียวเนี่ยนะที่น้อยอกน้อยใจเขาว่านิดหน่อยก็จะไปโดดน้ําตายแล้วอย่างนี้โดดน้ําตายก็ไปเป็นปลาสิยุงกันนี้ เพราะไม่เหมือนอริยมรรคน่าอริยมรรคนี้ยิ่งใหญ่มากพระอริยมรรคสมบูรณ์ด้วยอะไรสมบูรณ์ด้วยโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นบตรที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าจึงมีรัพย์มากโดยเฉพาะอริยทรัพย์นี้จึงสมบูรณ์มีอยู่ครั้งหนึ่งอสุปปะพุทธกุติเป็นคนโรคเรือนไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเมืองราชคฤห์แก่จนที่สุดจนถึงขนาดว่า ญาติเขาไม่สนใจนะก็กลายเป็นคนกําพา้าใช่ไหมเนื้อตัวเนี่เนื้อมันแทบจะหลุดเป็นชิ้นชิ้นิ้นนไปเนี่ยนะก็มีแค่ผ้าปิดแผลนิดหน่อยแล้วก็ไปที่ไหนพวกมแมลงก็กัดเต็มตัวไปหมดเนี่ยนะก็ไม่มีใครเหลียวแลสนใจไปนอนอยู่แถวบ้านเรือนของผู้ใดก็ครวญครางเพราะจนเขาต้องแถวแถวนั้นนอนไม่หลับหมดก็เลยเรียกว่าสุปปะพุทธกุฏิเนี่ยนะเป็นคนขี้โรคเรือนมากมีวันหนึ่งเห็นคนเขาประชมกันเยอะมากก็เลยเดินไปแถวนั้นนึกว่าจะมีอาหาร แล้ว เ, เขาตั้งโรงทานเขาจะได้แจกอาหารเราบ้างทีนี้พอไปใกล้ๆ้เ้าไม่ได้ไม่ได้แจกทานนี่เขากําลังฟังธรรมพระสมณะโคโดมคือพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมก็เลยบุญเก่าก็ตักเตือนเอแสดงว่ามันมีประโยชน์มั่งเขาจึงฟังเอาฟังบ้างก็เลยไปยืนอยูย่ท้ายบริษัทสุดเลยเพราะว่าไปใกล้ๆเขาก็ไล่หนีใช่ไหมเขาไม่ยอมให้ไปนั่งกลางสภายอยูแล้วเขาก็เลยต้องไปแอ บ, บๆอยู่ข้างหลังพวกนูน้น เสร็แล้วพระ อ, องก็ตรวจดูอัธยาศาัยของบริษัทว่าในประชุมชนเหล่านี้ผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมีไหมก็เห็นสุปปาพุท ธ, ธกุติคนเนี้ยมีอุปนิสัยที่ทําให้บรรลุมรรคผลเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยบรรลุมรรคผลพระ อ, องค์ก็ประอาห์เขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่เวลาแสดงธรรมเนี่ยพระ อ, องค์จะแบ่งบุคคลเป็นสองกลุ่มก่อนผู้ที่บรรลุกับไม่บรรลุถ้าเห็นมีผู้บรรลุไอ้พวกไม่บรรลุเนี่ยไม่สนใจเลยไม่เก็บเอามาคิดเลยนั่งก็นั่งไปอไนะ แ, แล้วก็ปราลบแต่เฉพาะพวกบรรลุแล้วก็มาแบ่งพวกบรรลุว่ามีกี่จริตแล้วแต่และจิตนี้ต้องฟังธรรมเทศนาหมวดใดแล้วควรจะฟังเรื่องอะไรก่อนเป็นต้นพระองค์ก็แสดงไปก็จะมีผู้บรรลุนี่เหมือนกันพระองค์ก็แสดงอนุ ป, ปุพพิกถาตอนท้ายก็จิตของสุ ป, ปะผู้ท่า ป, ปราศจากนิวรณ์พระองค์ก็ประกาศอริยสัจบรรลุเป็นพระโสดาบันจะคิดนะว่าโรคเรือนไม่เป็นพระโสดาบันเป็นแต่ว่ากรรมที่เป็นโรคเรือนก็เพราะไปถมน้ําลายว่า แนะไปด่าพระประเจกว่าเป็นคนโรคเรือนตัวเองเลยได้เป็นโรคเรือนเลยแต่ก็เคยทําบุญตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรคผลอยู่ทีนี้พอเขาเอ่อพอฟังทำบรรลุประชาชนก็แยกย้ายกันไปสุปาผู้ท่านี่อยากจะไปประกาศตนต่อนหน้าพระพุทธเจ้ามากแต่ความที่รู้จักตัวเองดีว่าตัวเองนี่แผลเต็มตัวไปหมดนะนะเดินไปที่ไหนคนก็รังเกียจหลีกนี้กันไปหมดก็เลยไม่กลา้าเพราะว่าพระอริยะสาวกนี่จะสมบูรณ์ด้วย ความละอายเนี่ยนะฮิริโอตตะก็รู้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเวรุวันเนีน่ก็เลยประชาชนแยกย้ายกันไปท่านสุปตะพุทะโรคเรือนคนนี้ก็เดินติดตามพระพุทธเจ้าไปเมื่อติดตามเข้าไปใกล้ๆพอไปถึงระหว่างทางเนี่ยนะเท้าสักกะลงมาเลยบอกสุปตะพุทะเธอเนี่ยเป็นคนยากจนที่สุดเมันความที่เธอเป็นคนยากจนเนี่ยนะ เธอพูดอยู่สามคำฉันจะยกสมบัติให้หมดเลยเธออยากได้อะไรก็จะให้เธอพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พูดอยู่สามคำพูดได้ไหมไแต่พูดไม่ได้บอกอุย้ยแ่ก็ตําหนิว่าท่านเป็นใครจึงมาว่าเราเป็นคนยากจนแล้วกันก็บอกว่าหลีกไปคนผ่านเพราะอะไรเพราะว่าสุ ป, ปะพุทธไม่ใช่คนยากแล้วเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทสัพจเจ็ดประการ สมบูรณ์ด้วยโลกุตรทรัพย์บนนเขาบอกว่าเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะเนี่ยนะไม่ได้เศษเชี่ยวของโซดาปฏิมากรเลยสมมติว่เอาโซดาปฏิมากรเนี่ยมาหารสิบหกแล้วเอาหนึ่งในสิบกมาหารเนี่ยนะเนวสัญญาเนวสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้เศษเชี่ยวของหนึ่งในนั้นของโซดาปฏิมากรเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยมากเหมือนกันนะเขาบอกกระจงหลีกไปหนพานเหมือนกั น, น่ะไล่ท้ า, ส า, าวสกะนี้เลย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 เพราะว่าท่านสา ม, มารถเลือกตระกูลเกิดได้เพราะผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าเขาปรารถนาจะเกิดในตระกูลกษัตริย์อขึ้ฤหบดีมหาศาลพราหมณ์มห า, าศาลกษัตริย์มหาศาลปรารถนาจะเกิดในชาตุมดาวเดืองยามาดุสิตนิมมานารดีหรือปรารถนาจะเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆหรือปรารถนาแม้กระทั่งดับขันปรินีผ่านความปรารถนาของผู้สมบูรณ์ด้วย ศทธาสินสุตะจักปัญญาก็สําเร็จได้วันท่านบอกว่าท่านเป็นคนไม่ให้คนยากไร้นะนะหลังจากนั้นท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าประกาศตนแสดงตนถึงความเป็นอุบาสกซึ่งจริงๆท่านเห็นอริยสัจก็เข้าถึงโลกุตระสารณาคมตอนหลังท่านก็ไปประกาศโลกิยาสารณาคมว่าท่านนั้นขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาระจนตลอดชีวิตเนี่ยนะก็ไม่ใช่ชีวิตเดียว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 ข้ามจากสากายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีและพระตะปราเมากข้ามจากความทุศี น, นท่านเหล่านั้นท่านข้ามได้ขนาดนี้แล้วนะแค่ว่า น, นี้ะโตแปลว่าแน่นอนเพราะยังลงสู่สัมมัตตนิยามคืออริยมรรคประกอบไปด้วยองแปดโพธิปายโนตรัสรุ้เนตรัสรุในเบื้องหน้าเพราะอย่างไรผู้ที่เป็นพระโสดาบันใจก็โอนไปหาความเป็นพระสกท า, าคามี พระเจ้าทิมพิสารหลังจากเป็นพระโสดาบันก็หวังไว้ในใจว่าจักเป็นพระสกทาคามีจัะเป็นพระสกทาคามีเพราะใจนี้โอนไปหาความเป็นพระอริยเจ้าเสมอถ้าถ้าเป็นพระสกทาคามีใจก็โอนไปหาความเป็นพระอนาคามีท่านเหล่านี้จึงเรียกว่าโพธิปายโนปายณะแปลว่าไหลไปบ่าไปโพธิก็คือความตรัสรู้ตรัสรู้คุณธรรมระดับสูงคุณธรรมระดับสู ง, รรสงเพรา ะ, ะนั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยมรรคนั้น จึงผู้ที่ข้ามออกจากวัฏฏุก์วันนี้การเรียนปฏิสัมพิธาทั้งหลายก็บุญกุศลที่เราเรียนนี้ก็จงโพธิปรายโ น, โนใช่ไหจงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้รมเป็นที่พ้นทุกโดยโดยทั่วๆ ก, กันเจริญพอในนะโมทนากันนะี้นะะ